วันนี้เป็นวันมาค้าบูชาตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551ปี2551เนี่ยถือว่าวันหนึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราได้มาวัดได้มาทำพิธีมาร่วมทำบุญอันดับแรกก็ได้ตักบาตรพระ ส, สงแต่เนีนก็ได้ขึ้นมาไหว้พระ ต่อไปนี้ก็จะได้สมาทานศีลให้พวกเราให้ถือว่าศีลวันนี้เป็นศีลสำคัญเป็นวันศีลที่ควรจะรักษาเป็นกรณีพิเศษกว่าทุกวันที่ผ่านนมาไม่ใช่ว่าพวกเราไปสมาทานศีลในงานวันเกิดงานมงคลงานอะไรก็ตามแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันแปลว่าเป็นวันศีลพิเศษกว่าทุกวันเหล่านั้น ถือว่าเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคําสอนอย่างสัจจริงวันนี้เพราะว่าประกาศหลักพระธรรมวินัยไว้ในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งให้พวกเรารักษาศีลอย่าให้เป็นศีลนกนกยางเหมือนกันเถอศีลนกกยางคือศีลอย่างไงมีนกกยางแก่ตัวหนึ่งเหมือนกัน น้ำมันท่วมทุกแห่งหนแต่ยังเหลืออยู่ก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งที่มันอยู่ที่เนินสูงน้ำมันท่วมหมดนกกระยางตอนนั้นก็เลยอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นไม่รู้จะบินไปไหนเพราะตัวเองของมันหมดกำลังบราณนัน้ก้อนหินก็ไม่ใหญ่กว้างเท่าไหร่านั้นแล้วนกกระยางก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าออถ้าเราอยู่ก้อนหินก้อนนี้ก็อยู่ตามลำพังอาหารอะไรก็มันก็ไม่มี เราก็ควรจะรักษาศีลซะวะเพราะงั้นนะนกกระยางว่านะัคิดในใจให้มันเกิดประโยชน์นะเพราะเราทําอะไรก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในลานหินน้ำท่วมหมดแล้วเราก็ควรจะสมาทานศีลซะให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเองนกกระยางก็คิดถูกนะมันก็คิดถูกทีแรกพอต่อมา ไปเดือดร้อนถึงพระ อ, อินทร์ทีนึ่ไม่ใช่เดือดร้อนหรอกพระอินทร์ว่าเอานกกระยางนี่มันจะสมาทานศีลด้วยความสัต์จริงหรือเปล่าเพราะมันนั่งยืนอยู่งั้นนะ่ะอมันจะรักษาศีลจริงหรือเปล่าแต่นี้ก็พระ อ, อินทร์ก็เลยเนตรมิตรเป็นลูกลูกแพะตัวเล็กๆเหมือนกันเถอะลงมาเบียบอ่อนปวกเปียกลักษณะเหมือนจะตายแดดไม่ตายแหล่อย่างงั้นล่ะ เ, เพื่อจะทดลองนกกระยางดูว่า สินนกกระยางเนี่ยเป็นสินที่มั่นคงหรือเปล่าแบบนั้นหรือเป็นสินที่ออกมาจากใจจริงหรือเปล่าหรื อ, รอว่าออกสินคิดตามการเวลาเท่านั้นแต่นี้นกกระยางเห็นแพะตัวเล็กๆคิดว่าจะกินได้ว่างั้นเถอะไปก็จะไล่จิกเลยแบบนั้นเถอะจิกตาเมื่อจากนั้นกับมันก็ตายแล้วกจิกเนื้อมันกินอแววนั้นเถะ แต่นี่ก็ตัวแพ้น่ะก็เดินตมเตี้ยมตุ่มเตี้ยมเหมือนกับหมดสภาพเหมือนกันเลนกกระยางก็เลยคิดในใจโอ้เราก็หิวมานานศินของเราที่รักษาไว้ก็น่าจะโปรงไว้ก่อนก็ได้นี่นาเหมือนกันนะนั่นแหละแปลว่าสินนกกระยางเ น, นี่ยสินิมันสินไม่ออกมาจากใจจริงเหมือนกัะแอ่คือมันไ ม, ม่ไม่มีความสัตย์จริงศินตอนนี้มันตอกออกมาจากใจจริงนะเอสินนกกระยางก็เลยนกกระยางเนะออ เราก็นั่นน่ะควรจะวางศีลไว้ก่อนพอกินเนื้อแพะเสร็จแล้วเราจึงจะมารักษาศีลต่อเพมือนกันนะจากนั้นนกกระยางก็ไล่ไล่ตุ่มเตี้ยมเพื่อจะไล่จิกแพ้ตัว น, นั้นนะ่ะแพ้ตัวนั้นก็หลบไปหลบมาหลบมาหลบไปโพที่สุดก็เลยไม่ได้กินเพระอินก็เลยจําแรงตัวขึ้นเหาะขึ้นบนอากาศบอกว่านกกระยางศีลของเธอเนะ่ยเป็นศีลที่ไม่ออกมาจากใจจริง เป็นศีลที่คิดได้แล้วก็ไม่มีความสัตย์จริงในตัวเองศีลอย่างนี้ใช้ไม่ได้พระอินทร์ว่านะพระอินทร์ตำหนินะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าพระอินทร์นี่ก็น่าจะรู้ว่าใจนกกระยางตัว น, นั้นน่ะมันใจบริสุทธิ์ขนาดไหนน่าจะส่องถึงใจถ้าพระอินทร์เขไม่สามารถที่จะมองถึงใจของนกกระยางได้เหมือนกันต้องนกกระยางแสดงออกซะก่อนพระอินทร์จึงจะรู้ว่างั้นเถอแสดงให้แสดงทางกาย คือไล่จิกซะก่อนพระอินทร์จริงจะรู้แต่ว่าในใจจริงของนกกระยางนั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เพราะฉะนั้นพวกเราญาติโยมทุกท่านนะวันนี้ให้เป็นศีลที่สัตว์มีความสักดิ์จริง ๆ, ๆ, ๆวันนี้เพราะว่าเป็นวันมาคร บ, บูชาเป็นวันสําคัญยิ่งในหลักของพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนา เพราะนั้นพวกเราถึงจะรักษาศีลห้าก็ให้เป็นศีลห้าจริงๆวันนี้อย่าให้ขาตกวกพ่องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาไม่พูดเล่นตลกเฮฮานเพื่อจะเป็นที่จะเป็นสิ่งที่ล่อแหลมต่อการมุสาและก็ไม่ดื่มสุราแต่หลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่ล่อแหลมที่สุดก็คือปณ า, าติบาศกับมุสาเนี่ยแหะ จะเร็วกว่าเพื่อนคือปาณาติบาตก็ไปถึงกับข่าเพราะเราจะมาทานสินแต่บางทีเราเป็นเราไม่ได้ส้ารวมระวังบางทีอาจจะบี้มดบ้างตบยุงบ้างลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็สินขาดได้เหมือนกันอันนี้ก็ให้ระวังพิเศษวันนี้และกับการพูดโกหกกเหมือนกันบางทีก็เอาตัวรอดบางทีก็เผลอเอมันเคยเป็นเป็นนิสัยมาแล้วว่างั้นเถอะ แต่วันนี้ห้อยระมัดระวังเป็นพิเศษแต่แต่กรณีนหน้านี้บางทีเราอาจจะเคยพูดเป็นโกหกพูดเต่นโกหกแต่บางครั้งมาก่อจริงจังเหมือนกันนะโกหกจริงจังเหมือนกันแต่คราวนี้เราได้รักษาศีลแล้วะ เ, เราควรจะงดเว้นทั้งหมดให้ขาวสะอาดที่สุดเพราะงั้นแต่ทั้งศีลห้าข้อปานาอาธินนากาเมมุสาสุรา แต่สุรานี่ก็วันนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งละ่ะไม่ควรจะดื่มสุราแล้ววันนี้ถึงยังไงยังไงก็ควรจะงดเว้นเป็นกรณีพิเศษให้วันขาวสะอาดในชีวิตของพวกเราสักวันหนึ่งได้ไหมน่าจะได้หลวงพ่อว่านะเพราะนั้นต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะนำให้ศีลให้พวกเรามีความสัตย์จริงให้ศีลบริสุทธนะิ์ใะวันนี้นะ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 ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังก่อนก่อนที่จะรับพรนะเพราะว่าถ้าไม่พูดช่วงนี้ไม่พูดเวลานี้ก็คงไม่มีเวลาเพราะว่าศรัทธาญาติโยมก็มาจากจากตุรธิษ์มาทางไกลมาวัดว่าศาสนาก็น่าจะได้ยินได้ฟัง <c oughs> วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างนี้สำคัญอย่างไร ถ้าหาว่าตอนเย็นที่จะพูดกันก็คงจะมีอีกกลุ่มหนึง่งสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้มารักษาศีลอันนั้นก็อีกส่วนหนึง่งอันนั้นก็จะได้พูดอีกตอนเย็นอีกครั้งหนึง่งกิจกรรมของพวกเราในวันนี้ตอนเช้าก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพวกเราจะตักบาตรจากนั้นก็ได้สมาทานศีลห้าและจากนี้ก็จะได้ ฟังที่หลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมนในเจกขาเป็นข้อคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นก็จะได้รับพรอนุมโมทนาให้พรในวันมาฆคาบูชาและก็ช่วงเที่ยงวันนี้หลวงพ่อจะได้นําคณะสงฆ์หรือว่าจตหาญาติโยมอําเภอนายูงพร้อมกับเจ้าคณะอําเภอของท่านแต่สร้าบ ว, ว่าท่านเจ้าคณะอําเภอ อาจจะติดภารกิจอยู่ที่เจริญสินก็ไม่รู้มาได้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบอาจารย์ชาลีภูก้อนนะแต่ทางสำนักพุทธก็ได้มาบอกหลวงพ่อว่าอยากจะให้หลวงพ่อขึ้นไปแต่ทุงพ่อขึ้นไปทุกปีอยู่แล้วละวันมาฆ่าวิสาขขึ้นไปทำพิธีพลาลูกหลานขึ้นไปทำพิธีาศาสนาพิธีเพื่อทาพระทศินรอบเจดีภูกอน เพราะว่าเจดีย์ภูก้อนถือว่าเป็นเจดีย์ที่สําคัญในเขตอาเภอนาโยงน้ำโสมสุวรรณทกูหาบ้านผือสังคมของเราที่อยู่ใกล้นั่นเพราะว่าเจดีย์นี้สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปี40กว่า 48- ่สิบแปหลวงพ่อก็จําไม่ถนัดพระเทพท่านก็มาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตรงเสียญพระยืนหน้าเจดีนั่นน่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่ทนานญาติโยมทุกคนก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสําหรับเจดีอเจดีอําเภอนาโยงอาเภอน้ําสมของเราเพราะฉนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา แ, และก็เป็นพร้อมกันก็ได้ขึ้นไปกราบไปไหว้พระเจดีเพื่อ ทำพทักษิณ น, นะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้นะถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาให้ขึ้นไปกราบปไปพทักษิณรอบพระเจดีย์อันนี้ก็คืออันนึงนะจากนั้นก็คงจะได้แยกย้ายกันกลับก็คงจะทั้งอเาเภอนาอยูงนั่นแหละแต่หลวงพ่อเองก็ได้บอกกับทางในครัวไว้ว่าให้เตรียมพวกนงพวกน้าพวกน้ำโขงน้าแข็งขึ้นไปเลี้ยงญาติพี่น้องเนะ อันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนีให้ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกับหลวงพ่อนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถ้าเข้าถ้าว่าทางในครัวของหลวงพ่อนี่คนไม่พอก็ขอให้ทางในครัวของเราเรียกยพวกเรานี่แหละให้ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือแจกลูกแจกหลานพวกแจกน้ําพวกตักน้ําขงน้ําแข็งพวกเทน้ําร้อนน้าชากับแจกแจกลูกลูกหลานหลานนะ พรอว่าขึ้นไปมันคงจะหิวน้ําห่ะตอนเที่ยงๆอากาศมันร้อนนะหลวงพ่อบอกเอาเลยเอาให้เตรียมที่มาน้ำกระสอบน้ําตาลหลวงพ่อมีตั้งเยอะแยะไปถ้าไม่มีอะไรก็คนๆนใส่น้ําแลยก็เทใส่น้ําแข็งก็กินเมือนกอนหวานๆก็พอละว่ะเออถ้ามากกว่านั้นก็เอาน้ํามาตรงน้ํามาตูมน้ํำกาแฟเอน้ําเฮลิบงเฮลิบอยอะไรก็ใส่เข้าไปเลยเอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของพวกเราดื่มน้ําเหมือนกันเ่อะน่ะ อันนี้ก็ให้ช่วยๆกันดูเนาะพวกเราทุกๆคนเนาะจะไปถือว่าเป็นภาระของใครพวกเราถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาออกตนยัดโยมของหลวงพ่อให้ช่วยๆกันทางว่าพวกในครัวไม่คนงานไม่พอก็บอกบอกกันเนาะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งทีนี่หลวงพ่อขอประกาศให้พวกเราทุกคนทราบหลวงพ่อจะไปจัดงานคุณแม่ชีแก้วเนะวันที่สามสิบวันที่สามสิบเมษาให้วันที่สามสิบมีนา ตรงกับวันอาทิตย์นี่แหละมันกใกล้แล้วนะเพราะในหลวงพ่อขอประกาศพ่าว่าพวกเราก็นานมาจะไม่ได้รับรู้รับทราบว่าหลวงพ่อคุณแม่จีแก้วในวันไหนปีนี้วันที่สามสิบนเริ่มตั้งแต่ประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วมา ป, ปีที่แล้วนอะประกาศบอกว่าเราจะเอาวันอาทิตย์ สุดท้ายวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนานะเราจะเอาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตรงกับวันที่สามสิบเป็นวันทําบุญครบรอบคุณแม่ชีแก้วที่มุกดาหารเพราะนั้นศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้ใดนะให้ฟังไว้หลวงพ่อประกาศขราวนี้เพราะว่าศรัทธา ญ, ญาติโยมมาหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอกตนญาติโยมหลว ง, งพ่อนะอใครจะไปตั้งโรงทาน ไปแสดงความจำนงไปตั้งลงทานก็ไปร่วมกันได้วันนี้แล้วก็พร้อมกันก็หลวงพ่อไปเทถนนนะปีนี้นะอไปเทถนนไปทำถนนเข้าเจดีของคุณแม่เนี่ยหลวงพ่อก็เตรียมจะตุบ ป, ปัจจัยไม่รู้กะทินผ้าป่าไม่รู้ตาอะไรต่ออะไรเตรียมเตรียมกระดมเพื่อจะสร้างเจดีไอ้ท่างถนนหลวงพ่อก็บอกไว้อย่าให้เกินสองล้านนะว่ากระเป๋าของหลวงพ่อจะฉีกนะถ้าเกินสองล้านมา พอเอาเข้าจริงๆเน่ยถามตูโยธาบอกว่าโอ้ยไม่อยู่หลวงพ่องั้นอ้าวทาไมวะมันต้องกวางั้นอาจจะถึงสามก็ไม่ร่วงกันโอ้หตาตาตาตาตาตายหลวงพ่อจะได้จำนองจำนําวัดอที่ดีวะวะนี่แหละจนจะเสร็จวันนี้แหละคิดว่าจะเสร็จวันนี้อตูโยธาบอกว่าเพราะว่าวันที่ยี่สิบสามช่างเขาจะกลับงั้นจะเร่งให้เสร็จ เทให้เสร็จวันที่21่2ิเนี่แหละหลวงพ่อว่างั้นนี่แหละอันนี้ก็คืองานหนึ่งที่หลวงพ่อแบกภาระหนักอยู่ที่สร้างเจดีทําถนนเข้าเจดีของคุณแม่ทําถนนเข้าไปแล้วคงจะจบละทีนี้แต่ก่อนหน้านี้เมื่อสร้างเจดีเสร็จแล้วรถเข้าไปเดินขี้ต้มขี้โคลนเปรี้ยปะเปี่ยถ้าฝนตกนะไม่สะดวกว่างั้นแต่หลวงพ่อกเลยทําให้จบๆไปซะให้หมดภาระของหลวงพ่อไป หลวงพ่อทําถนนเสร็จแล้วก็คงจะจบละทีนี้อันนี้ก็ขอแจ้งให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมระบรู้รับทราบนะห น, หนึ่งก็คือ น, นี่แหละขึ้นไปกราบพระเจดีย์ไปเวียนเทียนพระทักษิณรอบพระเจดีย์ตอนบ่ายวันนี้อันที่สองก็ถ้าวศรัท ธ, ธาญาติโยมผู้ที่สมาทานศีลก่นจะมีการไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นวันนี้ที่วัดของเราแล้วก็คงจะทําพระทักษิณรอบพระพุทธปฏิมา ที่วัดของเราอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็คงจะปฏิบัติธรรมในศาราอย่างที่พวกเราทํามาทุกปีที่ผ่านมานะแล้วก็อนหนึ่งก็วันที่สามสิบวันครบรอบทําบุญครบรอบคุณแม่อันนี้ก็ขอแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมรับทราบร่วมกันนะและถึงยังไงก็ตามนะ่ยพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วให้เป็นคนดี ต่อประเทศชาติบ้านเมืองถึอใครจะไม่ดียังไงเราให้เป็นคนดีเอาไว้ให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเอาไว้อย่าไปทําให้ผู้อื่นหนักใจอยู่กับพ่อกับแม่ก็ให้เคารพพ่อแม่ย่าให้พ่อแม่หนักกกหนักใจกับเราแล้วก็พร้อมกันเมื่อพ่อแม่ของเราเข้าเท่าแกชา่ชราเราก็ควรจะดูแลพ่อแม่ของเราด้วยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งโยมคุณแม่โยมแม่นั่นน่ะ คุณแม่ของใครของเรานะ่ะพออายุสี่ส0้าิปีขึ้นไปแล้วลูกทั้งหลายควรจะใส่ใจเป็นพิเศษนะเอันนี้คือคนแก่จนสำรุดชุดโทรมอโดยมากยมแม่ของใครของเรานะ่น่ะคุณแม่ของใครของเรานะ่น่ะอันนี้หลวงพ่อเออเคยดูแลมาแล้วนะเออสำหรับหลวงพ่อเป็นพระเองหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ปล่อยป่าและเลยไม่ได้ทอดทิ้งเออบางทีก็ พวกขนมนมเนยโอนต่อกอวันตีนพวกยุกยาวิตามองวิตามินอะไรที่หมอว่าดีก็ควรจะบำรุงมแม่เพราะงั้นเถอะเอพราะเราเกิดมาจากแม่ไม่ใช่เหรอเมื่อเราเกิดมาจากแม่นะเพราะวันแม่เนี่ยให้ลูกมากี่คนนั่นแหละความสัมฤทธิ์ชุดโสมของธาตุขันของแม่ต้องมีเพราะนั้นพวกเราควรจะกระตันอยู่กตะเวทิตาทดแทนพรกคุณของแม่เอาไว้นะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็โดยมากทุกวันนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นแหละหลวงพ่อพูดว่าพ่อกับแม่เนี่ยให้ความเมตตากับลูกเนี่ยเหมือนกับพายเรือล่องโขงือนนเถอะที่น้ำไหลเซียวๆนะถ้าว่าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาอะไรพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนกับพายเรือล่องโขงเหมือนกันเอไหลเลี้วเลยมีเท่ า, หายหโถมเข้าไป เพื่อให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขให้ลูกพ้นกับพ้นพิษภัยที่มันเกิดขึ้นนะแต่ลูกทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับพายเรือขึ้นโขงเหมือนกันเถอะพายเรือโต้น้ำเหมือนกันเถอะขึ้นเหนือน้ำเหมือนกันเถอะอน้ํามันไหลแล้วก็จมจอมอยู่ที่เก่านะี่ยนะว่าจะไปหาจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นี่ยก็บอกผมติดไปตีกอ๊อฟเหรอขนาดตี ก, อก๊อฟก็ติดนะเออผมติด พาครอบครัวไปซ็อปปิ้งมาทั้งที่พ่อแม่เก็บใครได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหนูไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวติดกับลูกตูวไปโรงเรียนอย่างนั้นแหละพวกเราคิดดูสิเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหลวงพ่อว่าเข้าข่ายลักษณะนั้นนะแสดงว่าพวกเราเนี่ยการทดแทนประคุณของพ่อแม่รู้สึกว่าปวกเปียกอ่อนแอไม่เหมือนพ่อแม่ถมให้แก่ลูกนะ ถ้าพ่อแม่โถมให้แก่ลูกโถมอย่างสุดๆว่างั้นเถอะยิ่งพ่อแม่ยิ่งทราบข่าวว่าลูกตัวเองเข้าโรงพยาบาลประสบอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหอะไรไม่ติดสักอย่างเลยว่างั้นเถอะเออคือว่านั่งรถไปจะไม่ทันจะโดดลงจากรถวิ่งอีกต่างหากว่างั้นเถอเพื่อจะให้มันทันใจตัวเองที่แท้ก็สู้รถไม่ได้แล้ววิ่งเร็วกว่าว่างั้นอะแต่ใจของเรามันเร็วกว่านั้นเร็วกว่ารถไปอีกเพื่อจะไปให้เห็นลูกช่วยลูกว่างั้นเถอะ และสำหรับลูกที่จะช่วยคิดช่วยพ่อแม่นั้นอย่างที่หลวงพ่ อ, อได้พูดน่จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ อ, อันนี้เป็นแนวความคิดถ้าว่าพวกเราคิดช้าใจและอ่อนใจเป็นลักษณะอย่างนั้นกับพวกเราก็ควรจะคิดให้มันดีขึ้นกว่านั้นอีกช่วยพ่อแม่ให้ดีขึ้นกว่านั้นอีกเมื่อท่านเจ็บใครได้ป่วยเมื่อเมื่อท่านมีความจาเป็น อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งกันนาจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่สักครั้งหนึ่งถ้าไม่ถ้าหัว่าไม่ติดขัดจริงๆเวียนเสียแต่ติดขัดจริ ง, รงๆก็ยังว่าครั้งหนึ่งก็ไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายบัางพ่อตัวเองบ้างพ่อปู่แม่ย่าบ้างอย่างนั้นอ่ะต้องจงช่วยกันดูนะพวกเราในฐานะลูกจากนั้นก็อาหารการบริโภคสิ่งไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องเราก็ควรจะช่วยเหลือส่งเสริมท่าน เพราะท่า น, นเลี้ยงดูเรามาอันนี้ตอบแทนพระคุณนะโดยมากทุกวันนี้หลวงพ่อว่ามันจะล่อยล้อไปเรื่อยๆถ้าไม่มีใครว่ากล่าวซึ่งกันและกันแต่หาว่าไม่ตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วความชลาใจแล้วความนอนใจความติดขัดมันจะมีไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วอย่างนี้หลวงพ่อว่าก็น่าจะน่าจะคิดได้นะน่าจะคิดได้ ว่าการของการกระทําของเราด้วยการประพฤติของเราเนี่ยห่างเหินยังไงกับคุณบิดามารดาปอหลักของพุทธศาสนาเนี่ยในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในท่านไม่ให้ดูดายนะพระคุณกาตันยูกตะวิตกตันยูกตะวิตเว ท, ทิตาจุดนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเนี่ยพร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมจนเกินไปการสออแสวงหาทรัพย์เกิดไม่ว่ากัน การสะแสวงหาเงินคาทรัพย์สมบัติเพื่อเลี้ยงชีพก็ไม่ว่ากันการทำการทำงานแต่ทึงยังไงเมื่อทำการทำงานเสร็จแล้วก็ให้คิดตัวเองว่าชีวิตของเราเนี่ยจะยืนานานไปสักเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะประกันชีวิตของเราได้ว่าวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนีน้ชีวิตของเราจะร่มหายตายจากโลกนี้ไปไม่มีใครรับประกันได้เพราะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมจุดนี้ไว้ด้วยคิดจุดนี้ไว้ด้วย ในหลักของพุทธศาสนาว่าถ้าคิดถ้าลืมลืมจุดนี้ชรล่าจุดนี้ไม่ได้คิดถึงจุดนี้ไปว่าเป็นผู้ประมาทอ่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตเหมือนกับตัวเองจะอยู่ในโลกนี้นานเท่านานไม่ได้คิดเลยว่าจะอยู่วันไหนถ้าเราคิดไปอยู่เสมอเออชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะไม่รู้ว่าเราจะล่มหายตายจากวันไหนเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีไว้บ้าง ปฏิบัติบิดามานดาให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์เมื่อมีการอันว่างหรือว่ามีการที่พวกเราจะปีกตัวได้นะอย่างวันนี้ล่ะพวกเราก็ควรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็พร้อมการก็ไหว้พระสวดมนต์ทำพระทักษินไปทำบุญกุศลบ้างในปีหนึ่งอย่าให้มันเรื่องทางนอกติดพันจนเกินไปควรจะตัด ควรจะปรีกตัวสังสมคุณงามความดีเข้าจิตใจของตนเองบ้างนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือหาอาหารเข้าสู่จิตใจจากนั้นก็ให้นั่งภาวนาหลวงพ่อจะเน้นหนักให้ลูกศิษย์ลูกหาออกตนญาติโยมหลวงพ่อเนี่ยนั่งภาวนาวันละห้านาทีได้ไหมสิบนาทีได้ไหมตั้งนาฬิกาก่อนที่แรกนะเราจะนั่งก่อนรับก่อนนอน ว่างๆนะก็เสียงวิทยุโทรทัศน์ปิดหมดแล้ ว, ลวก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธทําใจให้นิ่งทําใจให้สบายๆปล่อยวางทั้งหมดนะถ้าว่าพวกเรานั่งสมาธิทุกวันทุกวันต่อไปจิตใจของเราก็จะมีกําลังจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งจิตใจของเราก็จะไม่เออว้าเวอ้างวางเงียบเหงาเศร้าซึม อ, อจิตใจของเราคน ยึดมันในคุณงามความดีมองเห็นอะไรมองเห็นศีลเห็นธรรมเห็นคุณงามความดีเห็นผิดเห็นถูกเราจะมองเห็นได้ถ้าใจิตใจของเราสงบนะถ้าใจิตใจของเราปล่อยปะละเลยว้าวุ่นขุนมัวเออเล่เหยิลอยลมคิดอะไรก็คิดไปจนเป็นโรคประสาทอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะหลวงพ่อว่านะการที่ภาวนาเนี่ยนะนี่แหละรักษาโรคประสาทนะคือไม่ให้มันคิดมาก ไม่ให้มันปุ่งฟุ้งซ่านเกินไปถ้าพวกเราไม่ทำสมาธิไม่ฝึกหัดหรือไม่กินยาขนาด น, นี้เขาไปแล้วไม่ได้นะมันคิดมากมันปุ่งฟุ้งซ่านจนเกินไปจนทำให้ใจิตใจหาที่ยับยั้งไม่ได้มีแต่ทุกข์แต่เทนี้เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆุกท่านนะสมาธินะันไม่ใช่อื่นไกลนะเป็นยาขนาดหนึ่งนะเป็นยาขนาดหนึ่งที่ยับยั้งไม่ให้ตัวเองคิดปุ่งฟุ้งซ่าน บังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าบังคับได้อย่างนี้จิตใจอยู่กับตัวเองถ้าจิตใจอยู่กับตัวเองเราจะเป็นบ้านได้ยังไงคนที่เป็นบ้าน่นก็คือคนที่เป็นประสาทนั่นก็คือมันสติไม่อยู่กับตัวเองนะสติมันเลื่อนลอยสติมันขาดถ้าสติอยู่กับตัวเองนั่นจะเป็นบ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบังคับให้สติอยู่กับตัวเองนะั่นคือเป็นยาขนาดหนึ่งนะรักษากายรักษาใจของเราไม่ห ปงฟุ้งซ่านไม่ให้มันไปใช้สมองจนเกินไปอ่างั้นเถอถ้ า, าว่าเราใจของเราไปใช้สมองจนเกินไปคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกปรุงฟุง้งอยู่อย่างนั้นผลที่สุดก็เลยพุ้งทีละน้อยละน้อยคือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็เคิดมากเลยนี่มีอะไรคิดอยู่ตลอดเวล่ำเวลาผลที่สุดก็เลยเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไง่ายๆเพราะนั้นพวกเราอย่าไปคิดมากเลยคิดปล่อยวางบ้างคิดปล่อยวาง เฮ้ยอย่าไปหาคิดอะไรมากมายนักหนาวะออีกสักวันหนึ่งข่าก็จะตายจากโรกนี้ไปแล้วข่าจะตายจากสูไปทั้งหมดแล้วข่าจะทิ้งทั้งหมดแล้วเงินคําทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเลือกสวนไรน่นาข่าก็จะทิ้งทั้งหมดแล้วกระดูกของข่าข่าก็ยังไม่เอาไปด้วยเออข่าจะไปยึดถืออะไรมากมายนักหนาเนี่ยอยถึงจะไม่พูดออกปากก็คิดปล่อยวางในใจิตในใจถ้าคนคิดปล่อยวางอย่างนี้ได้นั่นแหละเออความ สงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราทีละน้อยละน้อยละน้อยจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งจากนั้นเราก็จะรู้จักการวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรกับเรื่องนั้นๆกับบุคคลนั้นๆถึงจะรักลูกก็จะไม่รักมากเกินไปถึงจะเกลียดก็ไม่เกลียดมากเกินไปบางคนพอเกลียดให้เขาเน่ยโอโ้ตัดพ่อต่อว่าไม่อยากจะให้เห็นหน้าเห็นตาอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะ แต่ถึงยังไงในใจเราก็มันทำมันมันผิดเราก็บอกว่ามันผิดเอเราคบไม่ได้มันผิดแต่ว่าถึงในใจเราก็มีเมตตากับเขาอยู่แต่ทํายังไงมันผิดนะเขาผิดพลาดไปแล้วอแต่ถึงยังไงยังไงก็ในใจของเราเราก็คิดไว้อยู่เหมือนกันสรุปก็คือไม่ให้ทุกข์ใจเราอ่างั้นแต่แต่ทางนอกแล้วเราก็ว่ายังไงก็ว <käytt> ่า <ouvert> ก <olve sulla unsafe> ันแต่ว่าทางในใจของเราไม่ให้ทุกข์ใจปล่อยวางที่ใจของเราให้รู้เท่าว่าโลกวัตะสงสารนั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้ล่ะ มีแต่เรื่องอย่างนี้แหละเกิดขึ้นจากนั้นก็เกิดแก่เจ็บตายร่างกายสังขารที่เรานั่งโดยกันี่เนะี่อีกสักวันหนึ่งก็ต่างคนต่างจากไปด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะอยู่นานส่วฟ้าดินสลายได้เพราะนั้นให้พวกเราคิดไวนะ้หน้าออกตนญาติโยมลูกหลานนะให้ภาวน า, าไว้หลวงพ่อนะีอยากจะให้ภาวนานะั่นนะพยายามทําภาวนาให้วันละหนะ้นาที10นาทีอย่างน้อยก็ฟังเทศเนี่ยที่หลวงพ่อแจกวิทยุให้วันนี้นะ่ะ เนีเปิดวิทยุแลยก็เอาวันนี้จะนั่งฟังเทศสักกันหนึ่งเนี่ยนั่งฟังเทศสักกันหนึ่งจากนั้นก็เปิดเทปเทปจะแล้วก็นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่งภาวนาไปด้วยเนีพอจบสักกันหนึ่งแล้วเออนอนละทีนี้จะมีเทศทุกทุกวันนะทุกคืนนะตั้งแต่สองทุ่มไปจะเทศหลวงตานะหลวงตามหาบัวเนี่ยจะเทศเป็นหลักเลยทีนี้นี่ที่เดี๋ยวนี้คือสถานีของหลวงพ่อเนี่ยยังเป็นเสียงหลวงพ่ออยู่ แต่เอาเข้าของหลวงตามาครั้งหนึ่งแล้วละ่ะเทศครั้งหลวงตาแล้วก็เทศครูบาอาจารย์ทั้งหมด20กว่าองค์นะที่จะเทศในสถานีวิทยุหลวงพ่อเนี่ยต่างกลัมต่างวาระแต่บางบางองค์ก็เทศเสียงไม่ดีนะเทปเสียงไม่ดีเสียงอูอีอู่อีเห็นบางท่านกับางท่านกับาากอายุแกมากแล้วท่านกับมามาเทศแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่ากันน่ยที่ท่านพูดเรื่องอะไรแต่ก็เขาก็เสียดาย ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วท่านเขาก็เลยเอาออกมาสถานีวิทยุให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นองค์ไหนที่เราฟังไม่ออกเราก็ปิดไฟซักก็ได้ถ้าองค์ไหนฟังที่เข้าใจง่ายเราก็จะค่อยเปิดฟังต่อไปเราก็จะฟังไปเรื่อยๆท่นี่ตรงพอว่าเกิดประโยชน์นะก่อนหลับก่อนนอนบางทีเรานอนไม่หลับกลางค่ากลางคืน น, น, นี่เราคิดปุงฟุง้งซ่าน ดีกว่าจะปล่อยให้มันคิดปุงฟุง้งซ่านลุกมานั่งภาวนาฟังเทศซะก็จะเกิดประโยชน์นะอานรอนนี้ไปรับพรนะทีน<ด>ี่นะอนุโมทนาให้พรรับพรอุทิศส่วนกุศล น, นะวันนี้นะ